เมื่อวานหลวงพ่อให้พระพี่เลี้ยงว่าจะบวชพระได้ไหมวันนี้บวชบอกแต่เมื่อวานแต่ถามพระพี่เลี้ยงบอกว่ายังไม่พร้อมหลวงพ่อเองก็ต้องถามพระพี่เลี้ยงเหมือนกับนักมว ย, ยใช่ไหมต้องถามพี่เลี้ยงว่าพร้อมที่จะชกอะไรไหมมวยเราเนี่ย ถ้าพี่เลี้ยงของโอ้ยังไม่พร้อมเลยเราจะไปให้นักมวยขึ้นไปชกไม่ได้เนาะทำยังไงเพราะยังไม่พร้อมฮะนี่ก็เหมือนกันพระพี่เลี้ยงของบอกว่ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมก็ล อ, อ ก, ก่อนถึงยังไงยังไงเข้ามาอยู่วัดวาศาสนาแล้วมารักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วจะไปรีบไปที่ไหนอย่างอื่นเราอย่าง ทำใจเย็นได้การเรียนหนังสือบรลุกี่ปีกว่าจะจบปริญญาโทรปริญญาเอกได้แต่เรามาบวชปุปปับจะมาเอาเพียงเดือนสองเดือนได้ละอย่างน้อยมันเอาสักปีสองสามปีมันก็จะถูกต้องใจเย็นเย็นมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็รักษาศีลไปเป็นวั น, วนๆไปเป็นการศึกษา แต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวินัยสงด้วยคือพระในคร้างพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอันดับแรกคือจริงๆก็คือที่พระพุทธเจ้าไปโปลดปัญจวคขีทั้งห้าที่ป่าอิสิปตนะมิขทายวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่พุทธคยา แล้วก็เดินทางไปโปรดปัญจวคีทั้งห้าที่เมืองพาลานสีพอไปถึงเทศให้ปัญจวคีทั้งห้าฟังปัญจวคีทั้งห้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสพระัญญาโกณธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรกที่ท่านอัญญาโกนรัญญเห็นธรรมนันคือตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเป็นพระบาลีแต่พระัญญาโกนทะยานเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายถึงจะสร้างท้าวลวัตถุแข็งแก่งขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งก็ต้องพังทลายไม่มีอันไหนที่จะอยู่ชว่วฟ้าตินสลายไปได้อยู่ในกฎอนิจจังทั้งหมด พอพระอัญญาโกนธัญญาเห็นเท่านั้นท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกพระพุทธเจ้าก็บอกประกาศอัญญาสิวัตโพโกนทันโยโกนธัญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนาะคือเห็นอันตร จ, จังคือของไม่เที่ยงจากนั้นพระอัญญาโกณธัญญาก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอหิภิกุอปปะสัมปทาท่านท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพระอัญญาโคนทะยะก็เป็นพระเลยอันนี้ก็คือบวชง่ายมากท่านได้สาเร็จแล้วพระโสดาบันจากทั้นท่านก็เทศให้ฟังอีกต่างองค์ก็ต่างได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็บวชสีองค์อีกเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะ จากนั้นก็เป็นพระภิกษออุห้าองค์รวมกับทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเป็นหกองคจากนั้นไปประกาศพระศาสนาไปคนละทางกันไม่ให้ไปด้วยกันเลยเพื่อจะเพื่อจะให้พระพุทธศาสน า, ศ า, ศา ก, รกระจายเร็วไปคนละทิศทางกันหกองค์พระพุทธเจ้าก็เข้ากรุงราชคัก์ยไปโปรดศดินเลย พระัญญากลทันยวว่าป่าพัทยามหานามะอจฉิสี่องค์ห้าองค์ก็ไปคนละทางกันพอได้คนะทางกันกนําบริษัทหรือว่าลูกศิษย์ของตนเองที่อยากจะบวชนํามาห า, ร พ, าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโคตรเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากนั้นกับพวกเรานั่นก็ไปแตกไปคนะทางอีกใครๆแบาไปประกาศาศาสนาแต่นี้พอมามากเลยนี่ยใครได้ถูกศิษย์มากเอามา ให้พระพุทธเจ้าเองฮีปิกุใช่พระองค์อบไม่ได้ให้พวกท่านบวชเองก็ได้ถิดให้พวกท่านทาั้งหลายบวชเองบวชเองก็คือเตติสะนะขมณะคล้ายๆกับว่าท่านั่งนโมตตะพระเก่าวะโตข้าพเจ้าขอโนอบโนมเดบพระผู้มีพระภาคอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้านันกพุทธทางพุทธทางธรรมังสั ง, ง, ง, ง, งขังสระนังคฉามิยิจ พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งแต่ว่าปวดติ ติสารณะข ม, มัะเนียเป็นพระภิกษุเหมือนกันพอต่อมาทีเห็นมาบวชง่ายทีนี่องค์ไหนไประเทศไหนก็บวชกันหมดทีนี่คนจุดข้างถนนหนทางเป็นญาติพี่น้องมาเอาบวชไหมเหรอผมไม่อยากจะบวชเขาเอาบวชเถะนะทดลองดูอนะผมท่องไม่ได้ครับไม่ได้เอาบวชเดี๋ยวเราจะเป็นคนนำาะนี่กันนโมตสะพุทธทางธรรมบังเสร็จแล้วก็บวชเป็นพระ ต่นนี้บวชเข้ามาแล้วตอนี้มันไม่บวช ด, ด้วยศรัทธามันบวช ด, ด้วยพระบังคับให้บวชอาจารย์บังคับให้บวชตัวเองก็ไม่ได้ท่องไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจให้บวชก็บวชไปอย่างน้นอะพที่สุดพระในพระพุทธศาสนาก็มากขึ้นปริมาณมากก็จริงอยู่แต่ในคุณภาพไม่มี พอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาไม่ได้บวช ด, ด้วยความเชื่อไม่ได้บวช ด, ด้วยความตั้งใจพอบวเชเสร็จแล้วก็ทะเนไปบินทบาทอาหารไม่มีได้บาทแล้วก็ทนะ่าชาวบ้านเขากําลังทานอาหารอยู่ในสําหรับกับข้าวก็ยื่นบาทเข้าไปไปขอในสําหรับเขาเลยฮะบางทีเข้าไปในร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ไปยืนยื่นบาทเข้าไปขอในร้านอาหารเขาอีกสางหา ทีนี้คนทั้งหลายเขาก็บอกว่อทําไม ส, มสัมมาสกยบุตรทุกสิทธ์ของพระพุทธเจ้าเนีย่ยทําไมไม่มีฮิริอุตปะทําไมจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยพระองค์พระพุทธเจ้ากรถา้าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ทําไมจึงแข็งกระด้างและดื้อด้านไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยทำไมจึงไม่มีฮิริอุตปะอย่างนี้เพราะเหตุใดพระสงฆ์ก็บอกว่าเพราะว่าพระสงฆ์บวชง่ายเกินไป ผู้ที่เขามาบวชไม่ได้ขอไม่ได้แสดงความจำหนงอยากจะบวชแต่ว่าพระรุ่นเก่าเนี่ยจับมาบวชเอาบวชเอาบวชเอ า, เ, อาเขาเขาได้บวชบวชแล้วก็บวชแต่ได้แต่อยู่ในฟอร์มอแต่จิตใจของเขาไม่ได้บวชไม่ได้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแต่นี้พระพุทธองค์บอกเอาประชุมสงฆ์พอประชุมสงฆ์เสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติวินยัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกุณระบุผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะมาบวชในศาสนาของเราตถาคตหรือจะเป็นปิชากยาบุตรเนี่ยต้องท่องสาธยายขอบวชขอแสดงความจำนง่งด้วยความตั้งใจดังนี้ที่ว่าเอชาหัางพันเตระบาลไทยข้าพเจ้าขอบวชขอท่านทั้งหลายจงลงมติร่บบอกขอบวช แล้วก็ถามอันตรายที่กระทำอีกว่าเจ้ามีปัญหาอะไรในสุขภาพไหมกุดทั่งเจะเป็นขี้ทูดไหมกันโทจะเป็นกระเทยไหมกีฬาโซ่จะเป็นขี้กากไหมถามไปหมดเลยสะนะัยก่อนที่จะบวชนะเหมือนกับเหมือนกับคัดเลือกทหารในขนาดนั้นแหละ ย, ยิ่งกว่าอีต่างหาโกโรคประจําตัวเรา เ, ราเราจ้ามีอะไรไหมบ้าหมูมีไหมโรคชักเราเจ้ามีไหมพ่อแม่เจ้าอนุญาตหรือ ย, ยัง พระราชาอนุญาตเจ้าได้ยังเจ้ามีนี่สินพลุงพลังติดตัวไหมเนีแล้วเจ้ามีโทษมีคดีมา ก, ก่อนไหมถามหมดเลอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นพุมาถึงพวกเราเนี่ยมาถึงพวกเราอันนั้นคือหลักพระธรรมวินัยแล้วถ้าเราจะมาสุกเอาเผากินใหม่ๆปุบ ป, ปับมาก็จะบวชบวดปวดเอาเลยนะมันไม่ได้ท่านี่เพราะมันมีกฎอยู่แล้วมันมีกติกาอยู่แล้วมันเป็นหลักธรรมวินัยอยู่แล้ว เราได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยมันเป็นมาอย่างนี้อยู่แล้วเราจะมารวบลัดตัดตอนเร็วๆเหมือนกับในาศาสนาเสื่อมในยุคนั้นเราเอามาใช้อกีกมันก็ไม่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราจึงได้พิธีพิถันลูกหลานคุณระบุผู้ใดเข้ามาบวชอย่าไปถือว่ามันเป็นกติกาของหลวงพ่ออินนะไม่ใช่กติกาของวัดปานนาคาน้อยนะ มันเป็นกติกาหรือว่าเป็นหลักพระ ธ, ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วอย่างนั้นเราก็ต้องเดินตามแต่บางวัดทำไมบวชง่ายนักเออก็เหมือนกับบางโคดน่นในประเทศไทยแต่เขาก็บอกกันว่าขายยาบ้ายามามันผิดนะแต่เขาทำไมยังขายก็แสดงว่าเขาไม่เคารพกฎกติกาของประเทศที่เขาทาอย่างนั้นแต่เราเป็นพลเมืองดีเราก็ต้องเคารพกฎกติกา ที่กฎหมายบอกไว้แล้วนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปถือว่าแปลกใจที่ว่าลูกหลานของเราไม่ได้บวชถึงไม่ได้บวชก็เถอะมาอยู่วัดวาศาสนาแล้วก็รักษาศีลภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยบางครั้งในสายหลงปูมั่นเนะี่ยตั้งสามเดือนนะท่าน ง, งจะให้บวชเป็นตะระขาวบางทีเป็นปีสองสามปีลองจิตลองใจมั่นใจ บอกนอนสอนง่ายหรือว่าเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยซะก่อนนะท่านจึงให้บวชน่ะอันนึงคือครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยท่านยังยืดไปอีกแต่สำหรับหลวงพ่อไ ม, ไม่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเว้นเสียจอเข้ามาแล้วเออมีอะไรไม่มีพันธะไหมถ้าไม่มีพันธ็เออบวชอยู่ไปเป็นทัะขาวไปถ้ามีพันธะธุระที่จะต้องศึกษาหรือจะต้อง ทำการทำงานด้วยจะต้องไปคือไปเรียนด้วยวัดเรียนจบมาใหม่แล้วจะออกไปทำงานมาบวชชั่วคราวก่อนฮะอันนี้หลวงพ่อก็ต้องดูตามที่ผู้นั้นจําเป็นแต่ถึงยังไงก็ต้องยึดหลักพระธรรมวินัยให้ถูกต้องเราจะไม่เหยียบย่ํำทำลายทั้งทักหลักพระธรรมวินัยเราจะไม่เหยียบย่ํำทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วพอเราเป็นสากไตรยบุตรต้องรักษากฎ ระเบียบถ้าพวกเราไม่รักษากฎระเบียบแล้วใครจะเป็นคนรักษาถ้าพวกเราท่านทั้งหลายว่าจุดนั่นก็ไม่จําเป็นจุดนี้ก็ไม่จาเป็นผลที่สุดหลักพระธรรมวินัยก็เลยหมดไปท่านเองเพราะไม่มีใครรักษาเพราะมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นพวกเราจะต้องยึดนํามาปฏิบัติเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นหลักพระธรรมวินยัย ตามที่พระพุทธองค์พระสง์ในครั้งกันูน้นท่านบัญญัติไปแล้วพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราก็ต้องเดินดปฏิบัติตามนี่แหละแลเมื่อวันวันที่12มกราคมพุทธศักราช2555เมื่อวานหลวงพ่อฉันยังหารเสร็จแล้วก็รีบไปเข้าไปบ้านตาดเพื่อไปชุมหาหรือเกี่ยวกับ การสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีขององค์หลวงตาเมื่อวานเนี่ยเข้าไปก็ไปพบหลวงปู่บุญมีที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นสิทธ์ที่เป็นผู้ใหญ่สุดทุกวันเนี่ยคือหลวงปู่บุญมีเนี่ยพรรษาอายุเก้าอายุแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบหกละแต่หลวงปูล่ลีอายุเก้าสิบกว่าแต่ท่านบวชภายหลังหลวงปู่บุญมีท่านบวชปีนั้น่ะ ปหลวงปู่มั่นมรณะภาพประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นบวชในงานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่น2492ฮะพวกเรานับข้อมือดูสิว่าหลวงปู่ลีเนี่ยบวชปีนั้นแต่อ่อนพรรษากว่าหลวงปู่บุญมีเข้าไปก็มีพระสงฆ์น้องๆทั้งหลายเข้าไปหลายสิบองค์ก็ไปหาหรือว่าเราจะสร้างตรงไหนเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ท่านพระ เทระที่รุ่นพี่ทั้งสององค์ท่านก็บอกว่าน่น่าจะเอาลงตรงที่ประชุมเพิงเขาออกแบบดูซิเขาออกแบบออกมาดูซิว่าเอาลักษณะอย่างไงลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเมื่อวานก็เลยได้ไประชุมหารือกันพอประชุมในกลุ่มสงเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า สิลิพาจุทาพรที่เป็นลูกสาวของฝ่ายหญิงองค์เล็กท่านกนัตทั้งฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็ผู้วาราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการโยธามาประชุมกันที่ศาลาใหญ่วัดป่าบันตาดเมื่อวานเนี่ยบ่ายสามโมงหลวงพ่อก็ได้เข้าร่วมประชุมแล้วเจ้าอาวาส ด, ด้วยแต่ก็จะมาถามว่าการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนี่ย จะสร้างในรูปลักษณะอย่างไรออกแบนอย่างไรคณะสงฆ์มีความเห็นอย่างไรลักษณะอย่างนั้นน่ะที่ท่านก็ได้เขียนมาไว้แล้วตัวท่านเองก็ได้นําคณะอาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลป์ศิลปากรมาด้วยหลายท่านเมื่อวานใครเขาวผู้ที่จะปั่นหุน่นผู้ที่จะเขียนแบบผู้ที่จะออกแบบลักษณะนั้นน่ะมาหลายท่าน ท่านก็ได้มาพูดให้คณะสงฆ์ฟังแต่ท่านได้เขียนเอาไว้ท่านได้เขียนแปลนเอาไว้แล้วลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทยางนี้อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไงถูกใจไหมพอใจไหมลักษณะอย่างนั้นเมื่อวานพอท่านอธิบายทั้งสามท่านมีเนี่แหล ะ, อ, ะองค์ชิลิพาจุธาพรเนี่ยท่านก็ ในสามท่านนั้นท่านมีความประสงค์อย่างไงในการสร้างพระเจดีย์เพราะได้รับความมอบหมายจากทุนกระหม่อมหญิงองเล็กที่เป็นแม่ของท่านที่เป็นลูกสาวขององค์หลวงตาแล้วเนี่ยหลวงตาเราเรียกว่าทุนกระหม่อมลูกนะท่านก็เรียกหลวงตาว่าท่านพ่อนะเนี่ยเกียรติหงตาว่าพ่อธรรมะในหลวงคือพ่อทางโลก่นให้สมบัติภายนอก แต่หลวงตาเนี่ยเป็นพ่อให้ธรรมะให้แนวความคิดให้หลักธรรมให้หลักใจให้หลักเหตุผลจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คือพ่อธรรมะฮะจากนั้นก็ท่านก็ถามคณะสงฆ์หลวงพ่อได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวานเนี่ยองแลกบอกว่าจะดีหลวงตาเนี่ย ลงตาไม่เห็นด้วยที่จะสร้างพระเจดีย์เห็นที่แรกเราขอคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นองค์หนึ่งร่างหนังสือเข้าไปขอคือเราไม่ได้พูดเป็นภาษาแต่เราร่างเป็นหนังสือทําไมจึงร่างเป็นหนังสือเพราะว่าเวลาเข้าไปใกล้ลงตาเนี่ยไปผู้รองขอการลงตาครับพวกคณะผมจะสร้างพระเจดีย์ เออผมเพียงอ้าปากเท่านั้นแหละท่านตบไปตบมาเนี่ยพวกเราหลงเงื่อนเลยไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกท่านเลยเพราะนั้นเราจึงร่างเป็นหนังสือขึ้นมาถึงยังไงก็ต้องอ้า ง, างเหตุผลอ้างเหตุผลในหนังสือนั้นให้จบท่านจะต้องฟังท่านจะให้หรือไม่ให้อีกส่วนหนึ่งหน่อยนั้นพอเราจึงร่างเป็นหนังสือเพอร่างเป็นหนังสือก็ไปหาเรือนอีกในคณะสงฆ์ในบรรดาพวกน้องๆ ลูกๆทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายลของหลวงตาทั้งหลายพอเสร็จแล้วเออเห็นพ้องต้องกันไปเข้าไปถ้าหลวงตาดุกระดุทั้งทีมเลท่านดุคนเดียวกรับไม่ไหวเหมือนกันใช่ไมอมก็ต้องไปทั้งทีมเข้าไปให้ท่านดุเนี่ยถึงยี่สิบสาสิบสี่สิบองค์ต่างคนก็ต่างรับไปคนนั้นมากและน้อยมันก็คงไม่หนักหนาใช่ไหมแต่นั่นก็เลยเข้าไปไปก็อ่านให้ท่านนพดลเป็นคนอ่าน แต่จ้าวาดวัดเขารับงานท่านเป็นนายอำเภอมาก่อนเนี่ยท่านนบปนท่านบวชออกมาแล้วท่านไม่ศึกจากนั้นถ้าก็อ่านพออ่านเสร็จแล้วลงตาไม่อนุญาตไม่ให้ทํายุ่งทำไมไม่ต้องยุ่งดอกเครื่องเจดีของเราไม่ต้องทํานะจากนั้นพวกเราก็หงายไปคนละทิศคนละทางใช่เสร็จแล้วก็เอาหยุดท่านไม่อนุญาตพอต่อมาอีก สองสามสี่ห้าวันเยอย่างฉันจังหันอย่างเนี้ยท่านก็พูดตอนเช้าเะเเมื่อวานวันก่อนเน่มีพระมีมูเพื่อนเข้าไปรือจะสร้างเจดีเราไม่เห็นด้วยที่จะสร้างเจดีแต่ถ้าว่าสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์เป็นคติตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังเป็นแนวทางเป็นเพื่อการศึกษาอันนั้นเราก็พอจะมองเห็น ว่าจะเกิดประโยชน์แต่จะสร้างพระเจดีย์เฉยๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาการาบคุณกราบพระเจดีย์พอกับปลกุปลกปลุกปลุกเสแล้วก็บนอะไรในใจปะป <loser blues> ๆะเ <misses> <Mond> <Hoje> ออแล้วก็เปิดแหนบไปมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรมันได้อะไรมันไม่เห็นเกิดประโยชน์แต่ถ้าหาว่าเข้ามาแล้วมากราบแล้วมาเห็นคติธรรม เราสอนโลกอย่างไรเราสงเคราะห์โลกอย่างไรเราช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรทำที่เราได้มานั้นมันเกิดประโยชน์ต่อโลกแล้วต่อคณะสิทธิ์อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางอันนั้นเราจึงมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับทันวายอย่างนั้นจากนั้นพอพูดจบแล้วกันวันลุ่มขึ้นสองสามวันมาเราแต่งตำราใหม่อีกนแต่งตำราใหม่ขึ้นไปเข้าไปกราบท่านอีก ไม่ใช่กบาบคนเดียวนะกาบเป็นหมู่อีกเหมือนกันนะั่นแหละพระตั้งสี่สิบสาสิบสี่สิบองคนะ์ไปก็ไปอ่านให้ท่านฟังอีกพออ่านให้ท่านฟังเออถ้าลักษณะนี้ก็เราพอรับได้แต่วันเราเตียงแต่งตาาําราใหม่เขว่าเราจะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์เหมือนกับเมืองสุพรรณสร้างพิพิธภัณฑ์พระนเรศวรลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เพื่อให้ลูกหลานได้ เป็นแนวทางเพื่อการศึกษานั่งฝ่ายธรรมะท่านฟังเออเอาเราพอจะฟังขึ้นได้เอาเดี๋ยวเราเราจะเอานุญาตกันแล้วเราก็รู้ว่าถ้าพ่อแม่ครูจารย์อนุญาตแล้วก็ขอให้ไปชี้จุดสถานที่ด้วยก็ับผมเพื่อจะได้รู้เออเอ า, เอานั้นทีหลังพอต่อมาสี่ห้าวันท่านก็ออกมาข้างนอกศาลาใหญ่ก็เลยท่านอาจารย์ปิว๋วก็ผู้กากับกิตตาเนี่ย ท่านก็แหละบอกองตาครับที่คณะสงฆ์ว่าอยากจะให้องค์หงคตาชี้จุดสถานที่นั้นหลวงตาจะชี้ที่จุดไหนครับผมเออท่านก็เดินเดินเดินมาหน้าศาลาใหญ่าจากนั้นท่านก็มองสี้จุดเออตรงนี้แหละท่านก็มองตรงนี้กว้างขวางเหมาะนะเอาตรงนี้แหละนะพวกนั้นเขาก็เลยปักหลักไปเลยเปักหลักตรงนั้นตน่อมาเขาก็ฝังหลักปูนเอาไว้ ต่อมาหลักปูนห น, น, นึ่งรถบรรนหนึก็ได้ตอกเป็นเหล็กรงไปแห้อยู่ในพื้นดินไงเหล็กยาวเป็นเมเน็ด่งตอกลงไปในพื้นดินตรงนันพอต่อมาวันสองวันมาวันลูกขึ้ น, นท่านไปเดินยงกลมอยู่ในท่านอยู่ในป่ามันออกมาท่านก็ บ, บอกที่เราอนุญาตให้สร้างเจดีเมื่อวานเนี่ยนะที่เราไปชี้จุดสถานที่นั้น อย่าพึ่งลงมือนะอย่าพึ่งทำอะไรนะจนกว่าได้รับอนุญาตจากเราซะก่อนลองค่อยสร้างถ้าเราไม่อนุญาตอย่าพึ่งทำแปลว่าเรื่องนั้นก็เลยพับไปเลยทนีไม่รู้ท่านก็หาเงินเข้าคังหลวงตลอดมาเทนี่ท่านคงจะไม่อยากจะให้เราไปสร้างเจดีย์ตึงเจดีย์เรื่องทีหลังเรื่องประเทศชาติต้องมาก่อนนะเพราะนั้นท่านยึงรวบรวมทองคำ แต่และ ว, วันตะวันถ้าว่าสร้างเจดีย์ปบคนทั้งหลายก็จะสร้างเจดีย์เขาจะไม่ให้ทองคาท่านเขาจะไม่ให้ปัจจัยท่านเพื่อซื้อทองคาเข้าคลังหลวงท่านก็เลยปิดประตูตัวนั้นไปก่อนท่านก็เลยรับทองคำพอท่านล่วงรับไปพวกเราจึงได้ประชุมกันท่นเี่หลงตาชี้จุดสถานที่ตรงนี้นะที่จะสร้างพระเจดีย์เพราะนั้นพวกเราควรจะเอาตรงนี้หละ เป็นที่พระราชทานเพลิงด้วยทางตั้งเป็นเมนขึ้นมาใครขัดข้องไหมไม่มีใครขัดข้องเพราะองค์หลวงตา ช, ช, ชี้ไว้ก่อนแล้วเนะี่ยก็มีประโยชน์อย่างมากทำไม่่งนั้นคงจะถกเถียงกันหน้าดูเหมือนกัน น, ะนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาลูกหลายคู่หลายคนนานาจิตตังนานาทัศน์ผลที่สุดก็เลยเอาตรงนั้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็อ้างเหตุผลอย่างนี้ให้องค์ิริพาฟัง กับคณะกับท่านผู้วาราชการจังหวัดอุดรต่างคนก็ต่างฟังจากนั้นก็หลวงพ่ออ้างเหตุผลมากมายอีกหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลไปมากเมื่อวานบอกท่านทีแรกท่านจะมาไปชุมเพียงประเดียวประดาแต่นั้นพอไปชุมตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง6กโมงเมื่อวาน <c oughs> ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสร้างพระเจดีย์องค์หลวงตาจังหวท่านบอกว่าเดือนมีนาไปเราจะไปเขียน ไเขียนเดือนมีนายนจึงจะจะึงจะขึ้นมาประชุมรืหาหรืออีกครั้งหนึง่งแต่หลวงพ่อก็บอกว่าการที่จะเขียนเจดีย์เขียนพิพิธภัณฑ์ด้วยเขียนเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตายอยากจะให้ทุกๆ ท, ท่านที่เป็นคณะอาจารย์ทั้งหลายอ่านหยดน้ําบนใบบัวประวัติของหลวงตาแล้วก็ประวัติหลวงปู่มั่น แล้วก็ปฏิปทาพระธุโรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้ละเอียดเมื่อละเอียดแล้วนั่นแหละจะรู้แนวทางว่าพระกรรมฐานหรือว่าพระธุรงกรรมฐานเนี่ยท่านมีจริยวัตรอย่างไรปฏิปทาอย่างไรมีแนวความคิดอย่างไรพวกเราจะรู้แล้วก็อ่านหนังสือเล่มสุดท้ายขององค์หลวงตาเนี่ยเองเพื่อเป็นแนวความคิดถ้าว่าเราคิดโดยไม่ได้อ่านหนังสือ เหล่านี้ซะก่อนเอามาคิดค้นมาคงจะไม่เป็นที่ยอมรับของคณะศิษยานุศิษฐ์ทั้งหลายหลวงพ่อให้แนวความคิดท่านทุกคนมีส่วนนี่แหละหลวงพ่อก็ให้พูดเจดีเจดีของหลวงตาเมื่อวานคิดว่าน่าจะก้าวไปได้ดีท่านก็บอกว่าเจดีนี้ได้เขียนเป็นงบประมาณออกมาองเจดี 60สิบล้านแล้วก็พิพิธภัณฑ์สิบล้านเขียนเขียนไว้อัตมาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเรื่องที่จะออกที่จะพูดเรื่องเป็นตัวเงินออกมาในอาคารนั้นขอขอจะได้พูดในชัดเจนเก็บเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินที่ที่มีผู้แสดงความจำงผ่านหลวงพ่อและผ่านเจ้าอาวาส ตั้งแต่หลวงตามรณะภาพแล้วก็เมื่อวานวันนี้ที่จะเข้ามาไปชุมอาตมาภาพเองก็ได้ถามไปทางเจ้าของเงินว่ายังยืนยันคำเก่าอยู่หรือไม่ที่จะถวายเงินหลวงตาสร้างเจดีย์เขาก็ว่ายังยืนยันคำเก่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอันว่าเขายืนยันว่าเขาจะถวายหนึ่งร้อยล้าน สวายเจดีของหลวงตาเพราะนั้นทีงบไปไว้ทีงบในหนังสือวันนี้เจ็ดสิบล้าน ấy. เนี่ยก็ขอให้หยุดไว้ก่อนเพราะลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตามากคงต้องเฉลี่ยกันแล้วก็มีผู้ถวายแต่แต่ก่อนเข้าพรรษาบันทางวัดป่าพันตาเขาเปิดบัญชีให้มีผู้บริจาคก่อบริจาคเข้ามาได้ประมาณส6บหล้านกรวมกันแล้วก็ ร้อยสิบหกล้านที่อยู่ในกระเป๋าเพราะนั้นส่วนหนึ่งเมื่อชัดเจนขึ้นมาเมื่อเป็นแบบแปลนขึ้นมาชัดเจนแล้วพวกเราก็คงจะมีการทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อหาทุนในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันคือให้มีส่วนร่วมถือว่าวงหลวงตาเนี่เป็นพ่อแม่ครูบายอาจารย์ผู้ให้ธรรมะผู้ให้กำเนิดทางธรรมะผู้ให ความรู้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในองค์หลวงตาหลวงตาท่านจากไปแล้วท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งอย่างสุดใจเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติของพวกเราท่านทั้งหลาย ควจะสร้างนะควรจะหลงขันกัน น, ะนี่หลวงพ่อก็บอกอย่านัน้เพราะฉะนั้นจะพึงกําหนดว่ากําหนดจํานวนกรอบของเงินที่ก่อสร้างถ้าเราได้มากเราก็อาจจะสร้างใหญ่ถ้าเราได้น้อ ย, ยจะไปสร้างใหญ่ได้ยังไงเพราะมันได้น้อยถ้าเราไดเงินมากเราจะไปทําแบบสารพ่อภูมิทําได้ยังไงฮะมันก็ไม่สมฐานะองค์หลวงตา เพราะนั้นเราตรงท่าสร้างให้สมฐานะขององค์หลวงตาพอพูดเมื่อวานนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จานุ่มธนาให้พรนะนี้นะรับพร น, น, นะ่นี้น